วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งเป็นวันขึ้น8ดค่าเดือนสปีพศ48พวกเราปฏิบัติธรรมมาถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นเวลา น, นมนานก็ขอให้พวกเราทบทวนดูการกระทาของเราเมื่อเราทบทวนดู การกระทําของเราที่ผ่านผ่านมามันมีกี่อย่างมีกี่เรื่องราวถ้าเราจะคิดในแง่ว่าการประพฤติปฏิบัติของเราที่ผ่านมามาถึงจุดนี้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงเราเสียใจไหมว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติทำมา ทำให้เราร่มจมจิบหายหรือว่าไม่ได้รับความสุขทางด้านจิตใจเป็นที่ตำหนิดตีเตียนของคนทั้งหลายหรือว่าเสื่อมราบยศสนเสริญสุขหรือเราปฏิบัติทำมาเป็นเวลาเป็นระยะเวลายาวนานเราได้คิดดู ว่าได้รับความร่มเย็นเป็นทุกทางด้านจิตใจอย่างไรขอขอให้พวกเราทบทวนในตัวเองนั่นหละเพราะคนอื่นที่จะทบทวนให้สู้ตัวเองไม่ได้ตลอดถึงด้านจิตใจเราปฏิบัติมาเป็นเวลานมนานจิตใจของเราเป็นยังไงได้รับผลความ ร่มเย็นเป็นสุขอย่างไรหรือปฏิบัติธรรมมาเท่าไหร่จิตใจยิ่งเร่าร้อนขุ่นมัวอับเฉาเป็นทุกข์เป็นร้อนตรงข้ามกับที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกไว้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้รู้ธรรมเป็นผู้ปล่อยวางเป็นผู้ได้รับความร่มเย็นผาสุขจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกเตือนบอกกล่าวไว้หรือเปล่า หรือว่าตรงกันข้ามเมื่อปฏิบัติธรรมมาแล้วจิตใจยิ่งโมโหโทโศกโกธาสิ่งที่ไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันยิ่งมกมุ่นเข้าไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างทางหลังทางหลังเรี่ยวาับทมปฏิบัติธรรมมาแล้วจิตใจของเราไม่ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายมีแต่ความอับเฉา โกโมโหโกทาอย่างนี้แปลว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านประกาศเอาไว้สําหรับเราเราคงจะใช้ไม่ถูกหรือเราอาจจะย่อหย่อนหรือเรามีสิ่งใดทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทบทวนตรวจตราดูตนเองเป็นคลั้งคล่าว หรือว่าสม่ำเสมอได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าหาว่าการกระทํำสิ่งใดก็าตามไม่ไม่มีการทบทวนไม่มีการไตรตรองว่าจะเดินไปข้างหน้าและผลข้างหลังเป็นยังไงแล้วจะเดินไปข้างหน้าเป็นอย่างไรไม่มีอดีตอนาคตเราไม่ได้ทบทวนอะไรมีแต่ทาไปเรื่อยๆโดยที่ไม่คิดผลกําไรขาดทุนกําไร เราไม่ได้คิดอันนี้ถ้าแบบทางโลกเขาเขาก็ว่าไม่มีบัญชีคาดทุนกำไรเพราะนั้นการทำมาค้าขายสิ่งใดก็ตามเขาจะต้องคิดว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงและมาถึงปัจจุบันจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรควรจะปล่อยวางตัวไหนควรจะพิจารณาอะไร ควรจะจับตัวไหนเป็นตัวนำหน้าหรือเป็นตัวกำไรพ่อค้าพ่อขายเขาเขาก็ต้องได้คิดเพราะนั้นพวกเราปฏิบัติทรรมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นปฏิบัติมานมนานการปฏิบัติเรายึดกรรมาฐานไหนเป็นหลัก หรือว่าคนนั้นบอกว่ากรรมฐานนั่นดีก็กันโดดไปตามเขาคนนี้บอกว่ากรรมฐานนี่ดีกันโดดไปตามเขาผลที่สุดก็เลยหาหลักหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้สำหรับตัวเองหาจุดยืนไม่ได้แต่บางคนก็เขาว่าภาวนาจุดนี้ก็เลยอยู่แต่จุดนั้นจุดเดียว โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่โดยไม่มีการทบทวนว่าที่เราภาวนามานมนานนั้นได้รับผลอย่างไรมากน้อยแค่ไหนความเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตใจเป็นอย่างไรได้รับความร่มเย็นผาสุกอย่างไรหรือได้รับความเดือดร้อนบุญวายในจิตในใจอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราทบทวนปรับปรุงแก้ไขตัวของเรา เช่นเดียวกันคือการปฏิบัติธรรมถ้าจะให้ถูกต้องมันก็ต้องทบทวนดูถ้าหากว่าเราเปลี่ยนแปลงบ่อยๆก็ลักษณะจับจดใช้ไม่ได้อีกวันหนึ่งเปลี่ยนกรรมฐานไม่รู้กีก่อย่างวันหนึ่งเช้าเปลี่ยนอย่างหนึ่งเย็นเปลี่ยนอย่างหนึ่งคนนั้นว่าดีอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนไปตาม อย่างที่เขาบอกแนะนําหรือว่าได้ยินได้ฟังมาอันนี้แปลว่าไม่มีจุดยืนแต่ถ้าว่าทําอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้คิดได้อ่านอะไรเขาว่าอย่างนี้เราก็ทําอยู่ตลอดอันนี้ก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเราต้องดูผลถ้าเราปฏิบัติดูแล้วมันผลไม่งอกเลยหรือผลไม่เป็นที่พอใจเราก็ควรจะเปลี่ยนกรรมาฐาน เพรากรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ถึง40สอย่างอันนี้คือบทปริกรรมอันนี้พอประมาณถ้าเราจะทำให้ปีกย่อยไปอีกก็มีต่างเยอะแยะที่จะทำหลอกล่อให้จิตเข้าสู่ความสงบการทบทวนพิจารณาทางด้านปัญญาตรอมจิตใจเข้าสู่ความสงบมีหลายๆวิธีอย่างแนตหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนา ลูกศิษย์ลูกหาของท่านท่านว่าให้ภาวนาพุทธโธอันนี้ก็คือกรรมฐานหนึ่งที่ให้ยึดหลักพุทธโธเป็นหลักแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้ธรรมที่โคลนต้นโพท่านก็กําหนดเพียงลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือกรรมกรรมฐานของพระพุทธเจ้าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจหายใจออกยาวสั้น ให้มีสติในลมหายใจเข้าออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าแต่พอต่อมาหลวงปู่ท่านวักกาหนดลมเฉยๆมันสั้นไปท่านก็เลยเอาพุทธโธเข้าไปอีกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอันนี้คือกรรมฐานขององค์หลวงปู่กาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลัก ถ้ามากกว่านั้นท่านจะพิจารณาอะไรตัวขเราจะพิจารณาอะไรมีหลายๆวิธีคือกรรมฐานที่จะพยายามจับจิตให้สงบพยายามทำใจให้สงบย่ว่ากรรมฐานสีสิบพุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอย่างที่พูดเมื่อเช้าพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างไรสอนโลก ให้มีความร่มเย็นผ้าสุกอย่างไรพระธรรม8ปดหมสี่พันพระธรรมขันของพระพุทธเจ้าที่อบรมสั่งสอนโลกพวกเราทั้งหลายได้รับความร่มเย็นผ้าสุกมีมากมายมหาศาลอันนี้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกคืนของพระธรรมพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นมาในโลกพระธรรมก็ไม่มี เมื่อพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ก็ไม่มีเมื่อพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์มีเพราะนั้นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และลึกถึงในใจไว้อยู่เสมอว่าพุทธานสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหรือหาย ใ, ใจเข้าธรรมโมหายใจออกธรรมโมหายใจเข้าสังโฆหายใจออกสังโฆเหออล่านี้เป็นต้นนีน่บอกพุทธานุสติธรรมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติ และลึกถึงศินของตนที่เราได้รักษาสินตลอดทั้งวันวันนี้เราไม่ได้ทําสิ่งไหนผิดขาดตกบกพร่องเมื่อเราลึกถึงศินของตัวเองไม่ขาดตกบกพร่องใจของเราก็ได้รับความผ่องใสได้รับความปีติยินดีว่าเรารักษาศินวันนี้ไม่ขาดตกบกพร่องเมื่อเราระลึกถึงศินของเราอยู่ กายของเราก็ใจของเราก็ชดชื่นแจ่มใสเพราะเราไม่ได้ทำสิ่งที่มันผิดเราจะกำหนดลมหายใจเข้าหายจะออกแล้วลึกถึงศีลทบทวนของศีลตัวเองอยู่อันนี้ก็เป็นบ ร, รบริกรรมข้อหนึ่งศีลานุสติจาคานุสติแล้วลึกฐานถึงทานเราลึกถึงการบริจาคทานของเราเราได้เสียสละเราให้อภัยทาน เรายอมทําบุญทําทานมาตั้งนมนานระลึก ถ, ถึงการทําทานของเราให้แก่บิดามารดาให้แก่วงสาคณนายาตทาบุญทําทานกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียสละในการให้อภัยทานเราไม่โกรธถูดถือถือโทษโกรธเคืองให้แก่ใครสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการให้เป็นการทานให้อภัยทานเสียสละในการทําทาน เว่าจาคารุสติการเสียสละเทวตานุสติระลึกถึงคุณผู้ที่จะไปสู่เป็นเทวดาผู้ที่จะได้รับคุณงามความดีในเมืองมนุษย์เขาทำคุณงามจากความดีอย่างไรอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่พวกเรากราบว่า้สักการะบูชาท่านทำตัวอย่างไงท่านปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้ก็ระลึกถึงพระคุณของท่านที่ได้ท่านในอบรมแนะนำสั่งสอนพวกเรา หรือคุณที่ผู้ที่จะไปเป็นเทวดาสูงส่งขึ้นไปตามลำดับจนเกิดพบนาชาตินาท่านทำคุณงามความดีอย่างไรสิ่งเหล่านี้ว่าเท ว, วตานุสติและก็มรณะนุสติและลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนอีกสักวันหนึ่งเราจะต้อง จากโลกนี้แน่นอนไม่ต้องสงสัยไม่ต้องวันไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งไม่เวลาใดก็ต้องเวลาหนึ่งแน่นอนไม่มีใครหลีกลี่หนีพ้นไปได้อันนี้ก็คือมรณะนุสติระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนอุปจมานุสติระลึกถึงคุณของพระนิพพานเป็นที่ระงับกิเลสและกองทุกผู้เข้าสู่นิพพานแล้วไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการ แปลว่าทิ้งปล่อยวางละทิ้งทั้งหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงทั้งกายทั้งวาจาทางใจทำใจแหว่างปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้ก็คืออุปจมานุสติระลึกถึงคุณของพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่แหละอนุสติ1ิจากนั้นก็กระสินสิบ อันนี้พระพุทธเจ้าท่านวางไว้สำหรับให้พวกเราประพฤติปฏิบัติะระหว่ากรรมฐาน40สบอย่างเพราะนั้นเราจะยึดกรรมฐานไหนเข้ามาบริกรรมก็ได้ทั้งนั้นในที่จะยึดเป็นกรรมฐานมาให้เป็นแนวทางของตนเองเพื่อจะเดินทางไปสู่ความสงบอย่างบางคนบางท่าน จะยึดว่าพุทโธลมหายใจเข้าหายใจออกบางคนก็ยุคสมัยนี้ก็มีหลายๆอย่างหลายหลายสํานักว่ายุบหนอพองหน้ อ, อกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าถึงลําถึงท้องหายใจแรงแรงถึงท้องยบพองยุบอะไรในลักษณะอย่างนี้ก็ล้วนแล้วแต่ เป็นเรื่องเป็นเครื่องบริกรรมเป็นเครื่องกำหนดรู้ให้จิตเข้าสู่ความสงบคือให้จิตอยู่กับตัวเองถ้าจะว่าไปเข้าข่ายลักษณะสติปัฏฐานสี่ที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นก็คือกายานุปัฏนาสติปัฏฐานกำหนดกายเป็นศูนย์กลางเป็นหลักให้พวกเรามีสติกำหนดรู้ในกายไม ah ่ e. ส่งจิตไปที่อื่นอันนี้ก็คือกายานุปัสนาสติปัฏฐานถ้ามากกว่านั้นเราจะพิราณาร่างกายของเราให้เห็นเป็นกระดูกเป็นท่อนๆ ท, ทุกชิ้นตั้งแต่กระโหลกศีรษะจนถึงนิ้วเท้าจนถึงนิ้วเท้ากลับมาถึงกระโหลก แล้วสติของเราเห็นจุดจุดไหนใจของเราเห็นจุดไหนในร่างกายที่เห็นกระดูกชัดเจนจะเป็นกระดูกแข้งกระดูกขากระดูกฟันกระดูกตรงไหนที่เราเห็นชัดเจนในความรู้สึกเราเอาจิตจับอยู่ตรงนั้นจ่ออยู่ตรงนั้นกําหนดอยู่ตรงนั้นกระดูกชิ้นนั้นไม่ให้ขยับเคยื่อนไปที่อื่นให้ดูจะว่าเพ่งก็ใช่จะว่ากําหนดให้รู้อยู่ก็ใช่ อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะทําจิตให้สงบไดอันนี้ระหว่าใช้ปัญญาพิจารณากําหนดรู้ซะก่อนแล้วก็ให้มาอยู่จุดใดจุดหนึ่งจนจิตเข้าสู่ความสงบอันนี้หลวงตามหาบัวท่านว่าใช้ปัญญาอบรมสมาธิใช้ปัญญาเพราะมันจิตใจมันชอบคิดปุงฟุ้งออกไปข้างนอกเอายังไงมันก็ไม่อยู่ ให้มันอยู่ในกายแยนครให้มันอยู่ในกระดูกในร่างกายเนี่ยให้มันอยู่ในเนี้ยกำหนดให้อยู่ในนี้ตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าจนถึงนิ้วเท้าจากร้อยเล่จากนิ้วเท้าขึ้นมากระดูกฝ่าเท้ากระดูกข้อเท้ากระดูกแข่งกระดูกหัวเข่ากระดูกขาไล่ขึ้นมากระดูกเชิงกานกระดูกบั้นเอวก็ไล่ขึ้นมากระดูกสันหลังกระดูกชี้โครงไล่ขึ้นมาจนถึงกหลกศีรษะไล่ลงไปอีกเนี่ยพูดดูช้า ดูด้วยความตั้งใจดูด้วยสติเมื่อเราเห็นกระดูกท่อนไหนที่ชัดเจนเราก็กำหนดดูกระดูกชิ้นนั้นไม่ให้ขยับไปที่อื่นเมื่อจิตอยู่ในจุดเดียวจิตก็จะเข้าขูสู่ความสงบได้จิตเป็นหนึ่งได้อันนี้ถท่าว่าปัญญาอบรมสมาธิหรือเราจะพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจ ผมขนเล็บฟันหนังหรือจะไล่ไปถึงเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, าม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไตใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าในอาการ 3.2 สองของร่างกาย <c oughs> เราจะพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนหรือว่าแยกออกไปเป็นวนส่วนกองไว้กับพื้นดินหรือเราจะรู้ในร่างกายของเราว่าอยู่ในสภาพเช่นไรที่เรานั่งอยู่อย่างนี้ ผมันอยู่ในสันฐานไหนลักษณะไหนขนอยู่ลักษณะไห น, น, น, น, ไหนเล็บอยู่ในตาสไหนฟันอยู่ในัย ห, หนังหุ้มห่ออยู่อย่างไรอย่างเนี้เนื้ออยู่อย่างไงกระดูกอยู่อย่างไงตับไปยัไงปอดไปยังไงไตไปยังไงลำไส้ไปยังไงดีไปยังไงคือเราดูดูดูเป็นอันอันไปจากนั้นเราเห็นชัดในความรู้สึกของเราเราก็เอาสติจับอยู่ตรงนั้น เมื่อเราเห็นหัวใจของเราผูารรกปั๊บผูกปับเราเอาสติจับอยู่ที่หัวใจดูหัวใจมันเต้นผูกปับผูกปบผูับเอาสติจับอยู่ตรงนั้นไม่ให้ไปที่อื่นอันนี้ก็เป็นการภาวนาเหมือนกันคือเอาสติจับอยู่ที่หัวใจไม่ให้มันเคลื่อนไปที่อื่นอันนี้ก็คือภาวนาทําจิตให้สงบไม่ให้คิดปรุงฟุ้งไปทางอื่น เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งมันที่มันไม่ปรุงฟุ้งไปทางอื่นแล้วทีนี้สติมันอยู่กับจิตสติกับจิตมันทานกันหรือว่าสติควบคุมจิตคือจิตไม่หิวโหวยจิตไม่ใสยแส จิตอยู่ในกรอบคือใจอยู่ในกรอบใจไม่กระฟัดกระเฟียดใจไม่ออกปุงฟุ้งออกไปข้างนอกแต่ก่อนหน้านี้เมื่อเราไม่ได้ภาวนาเราจับใจไม่อยู่พอกำหนดตูไม่รู้หายไปไหนพอมันร่วรว่าหายไปเอาดึงกลับคืนมากำหนดแล้วก็หายไปอีกอันนี้คือจิต ใจของเราไม่อยู่กับตัวกรรมาฐานควบคุมไม่อยู่แต่พ่อท่านว่าว่าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความพยายามอยู่เราก็จะพยายามกําหนดดูใจของเราเอาสติจับที่ใจของเรามันคิดปรุงฟุ้งไปทางไหนสติจับตัวได้ทัน อันนี้แปลว่าสติของเราทันถ้าอยู่ในลักษณะอย่างนี้จะว่าจิตอยู่ก็ใช่จะว่าจิตสงบก็ใช่ <Okay. S 1> เมื่อเราได้ยินเสียง <Okay. S 1> ก็รู้ว่าเสียงแต่ไม่ส่งจิตไปตามเสียงนั้นจะเป็นเสียงอะไรก็ตามก็สกรู้ว่าเสียงรับรู้ว่าเสียงยังได้ยินเสียงอยู่ แต่เราก็หลับตานะเราหลับตาเราได้ยินเสียงแต่ไม่ได้ส่งไปสังตามเสียงว่าจิตมีแต่วรู้ว่าเสียงแล้วก็จบอันนี้จิตประเภทอย่างนี้เราอุปจาระจะกําหนดพิจารณาโดยมากครูบาอาจารย์ท่านจะให้ถ้าจิตอย่างนี้ให้ท่านให้พิจารณาร่างกายพิจารณาถึงกระดูกพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกาย ถาดสีดินน้ำลมไฟให้แยกส่วนแบ่งส่วนจะใช้สมาธิอุปจาระนี่แหละพิจารณาจะเป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ทำจิตให้สงบจิตใจมันยังอ่อนอยู่ยังขนาดใจของเองยังคบผิดตะคบผิดตะคบถูก แล้วจะนํามาพิจรารณานั้นโดยมากมันจะไม่ไม่พอมันจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันจะทะเลทลายเหมือนกับใช้เด็กทํางานอย่างนั้น อ, อ่ะอหรือว่าใช้คนไม่เป็นทํางานอย่างนั้นอ่ะคนไม่เป็นงานทํางานแต่ถ้าหากว่าจิตของเราเอาสตคิควบคุมดูแล้วพิจรารณาอะไรมันจะเป็นชิ้นเป็นอัน พิจารณาอะไรจะเห็นตามความเป็นจริงรู้ได้เห็นได้ตามความเป็นจริงจะพิจารณาจับตัวไหนก็เห็นได้ชัดเจนอันนี้คือพิจารณาทางวิปัสสนาหรือพิจารณาภาวนาพิจารณาจะเปลีรณ น, นใจใตรักอ น, นิจจังทุขังอนัตตาก็เห็นได้ชัด ไม่เหมือนแต่ก่อนหรือว่าก่อนหน้านี้ถ้าว่าเราคิดเราปุงเราใช้สติก็จริงอยู่เราใช้ความคิดก็จริงอยู่แต่ว่ามันมันทะเลถลายมันฉลับออกไปเพราะสติของเรายังอ่อนแต่ถ้าว่าสติของเราเข้มแข็งควบคุมใจของเราได้แล้วนั่นแหละ พิจารณาอันไหนเป็นชิ้นเป็นอันเพราะนั้นเรื่องภาวนาเรื่องสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งในภาคปฏิบัติจากนั้นเมื่อพิจารณากําหนดดูเห็นตามความจริงเห็นตามความเป็นจริงจิตใจมันไม่ปูงฟุ้งใครเๆว่ามันเหนื่อยหรือว่ามันจะเข้าสู่ความสงบมากกว่านั้นมันก็ลงเด่งลงไปอีก แต่เมื่อมันดิ่งลงไปถึงจุดนั้นจะพิจารณาไม่ได้ทีนี้่ ว, ว่าถึงขั้นนั้น ว, ว่าขั้นอัปปนาสมาธิจิตเข้าสู่ความสงบสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นเราไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่ในสถานที่ใดเรายืนในในสถานที่ใดเราไม่รู้รู้แต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรารู้ได้ชัดเจนในขณะที่ที่เรารู้เราเห็นแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องถามใครอีกว่าอันนี้จิตสงบหรือไม่รู้ด้วยตนเองจิตประเภทนี้สมาธิประเภทนี้แต่นานทีจะมีครั้งหนึ่งไม่ใช่จะบ่อยจิตที่ลงรวมสงบอย่างนี้ไม่ใช่จะทำได้ง่ายง่ายแต่ว่าพวกนักปฏิบัติทั้งหลาย ก็ไม่ควรจะมุ่งหวังจนเกินไปอันนั้นนานทีครั้งหนึ่งจะสงบเราก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นหรือสําคัญแต่สําหรับผู้เชี่ยวชาญชํานาญแล้วอันนั้นไม่ต้องพูดถึงท่านจะเข้าพักในสมาธิประเภทนี้เป็นของธรรมดาแต่โดยมากผู้ปฏิบัติทั้งหลายนานๆจะได้ชิมรสอัปปนาสมาธิ แต่อัปนาสมาธินี้เป็นรถที่มีความสุขจริงเข้าทํานองที่ว่านัตถิสันติปารังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถึงจะว่าสงบมีกิเลสยังมีความสงบหรือว่าความสงบของพระหรันด้วยความสงบของปุตุชนถึงอย่างไงก็ยังมีความสุขถึงจะเป็นปุตุชนก็ยังมีความสุข ในระดับของปุตุชนไม่ต้องพูดถึงความสงบของพระอริยเจ้าอารหันต์ทั้งหลายอันนี้คือจิตสงบพูดถึงผู้ปฏิบัติถึงยังไงเรื่องสมาธิแล้วไม่เกินกว่านี้อันนี้คือขั้นสูงสุดของสมาธิคืออัปปนาสมาธิจากนั้นก็ถอน เพียงถอนขึ้นมาเราก็จะรู้สึกตนเองไม่ต้องถามใครถ้าไปถามคนอื่นก็เป็นแต่ว่าแกล้งถามตนเองว่าอันนี้อย่างนี้อย่างนี้จิตสงบใช่ไหมเป็นการแกล้งถามคนอื่นแต่ตัวเองมั่นใจว่าจิตประเภทนี้คือจิตความสงบเพราะบ่งบอกถึงความร่มเย็นหรือว่าความเย็นอกเย็นใจหาที่เปรียบปานไม่ได้มีความเย็นอกเย็นใจ มีเหตุมีผลเอิบอิ่มในจิตใจและเชื่อมั่นว่าร่างกายกับจิตใจนี่กายกับใจนี่เป็นคนละส่วนกันตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญจิตใจประเภทนี้บ่งบอกในตัวเองเชื่อมั่นในตนเองว่าตายแล้วตัวไหนตายตัวไหนเกิดตัวไหนที่มันจะไปติ ป, ปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆจะรู้ด้วยจะรู้ได้ด้วยตนเองจิตประเภทอัปปนาสมาธิ คือเป็นเป็นที่รู้แนวทางที่จะเดินไปในภพภูมิต่างๆจากนั้นพอหมดกําลังของสมาธิแล้วก็ถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาเข้ามาสู่อุปจารสมาธิจากนั้นก็ขยับขึ้นมาคณิกะและก็จิตเป็นจิตธรรมดาแล้วการภาวนาที่จะทุกครั้งเราจะต้อง ให้จิตเป็นอุปจารสมาธิซะก่อนจึงจะพิจารณาอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าเรานั่งภาวนาไปแล้วจิตใจมันเป็นยังไงในครั้งนี้ในขณะที่นั่งในคราวนี้ครั้งนี้เวลานี้ใจของเราเอาไม่อยู่ใจของเราชอบคิดจะกำหนดลมหายใจเข้าออกมันไม่อยู่ เราก็ต้องนำมาพิจารณาอย่างที่ได้เรียนว่าพิจนากระดูกริชิพินนากรรมฐานต่างๆคือตรอมจิตเพราะมันเอาไม่อยู่ถ้าหว่าจะกำหนดเนี่ยมันจะแว บ, บไปแวบบมาแวบบมาแวบบไปอันนี้เราต้องใช้กรรมฐานตรอมหรือให้มันคิดแต่ให้มันอยู่ในกายยนครไม่ให้มันอยู่ออกไปทางอื่นคือบังคับด้วยสติ เอาสติบังคับให้มันอยู่กับกายส่วนใดส่วนหนึ่งดุดใดจุดหนึ่งหรือทั้งหมดของร่างกายไล่ไปเรื่อยแต่ให้มันอยู่ในกายนี้อันนี้ก็คือขณะที่เรานั่งแต่บางครั้งเมื่อเรานั่งขณะนั้นเวลานั้นช่วงนั้นจิตค่องลองขี้เกียจคิดมันนิ่งนิ่งมันชอบอยู่ๆนิ่งๆจากนั้นเราก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเลย กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอ่อันนี้มันจะลงเข้าสู่ความสงบได้ในระดับหนึ่งในเมื่อเราพิจารณาหรือว่าเรากําหนดภาวนาอย่างนี้แล้วจิตเข้าสู่ความสงบได้เออถึงขั้นอุปจาระแล้วเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาเลยใช่ไหมอ่เมื่อมันไม่หิวโหวยแล้วก็บังคับไม่ให้มันจุอะไ่ใช่ไี่ บังคับให้ออกบังคับให้พิจารณาบังคับให้ใจทำงานบังบังคับให้ใจคิดถ้ามันอยู่เฉยๆไม่ได้มันเหมือนกับเราขี้เกียจทำงานเข้าไปอยู่เฉยๆถ้ามันเป็นมากๆบ่อยๆขณ ะ, ะติดสมาธิติดในสมาธิติดในความสงบเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องฟังจากครูบาอาจารย์ ที่ท่านอบรมแนะนำสั่งสอนให้พิจารณาในการพิจารณาถ้าพิจารณาจนหาความสงบไป่ได้ปุง่งฟุ้งจนเกินไปก็บังคับให้มันกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้มันคิดมากให้มันอยู่กับตัวเองอย่าให้มันปุง่งอย่าให้มันฟุง้งอย่าให้มันคิดพุทโทพุโทโธพุทธโทพุโทโธให้มันนิ่งกำหนดอยู่อย่าให้มันปุงไปทางอื่น อันนี้คือเวลามันออกแต่ปนี้พอจิตสงบอ้าวให้มันคิดสรุปแล้วก็คือการปฏิบัติเนี่ยทั้งสมาธิและปัญญามันต้องไปด้วยกันเราจะพิจารณาว่าปัญญาการทำงานเท่านั้นจึงจะเกิดประโยชน์จึงจะเป็นเงินเป็นคำทรัพย์สมบัติขึ้นมา การพักผ่อนนอนหลับสเสียเวลาคนที่ทําอย่างนั้นอีกไม่นานเนี่ยจอดเหมือนกันมันจะไปกี่น้ําเมื่อไม่ได้กินไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนหลับผลที่สุดก็เหรอเลืเอนรางเออเพอรเพ อ, เ อ, อจับกระดาษก็ว่าเป็นเงินเป็นทองไปละบ้านเนี่ยจับไปไม้ก็ว่าเป็นเงินเป็นทองไปละ เพราะมันเบอร์เพราะมันไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนการภาวนากวลักษณะอย่างนี้เหมือนกันเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญเราจะมองข้ามไม่ได้สมาธิทําจิตให้สงบเป็นพื้นฐานถ้าจิตมันปรุงฟุง้งมันจะออกไปทางสังขารและสัญญาถ้าไม่มีสมาธิเป็นเครื่องรั้งเอาไว แต่ถ้าว่ามีสติรั้งเอาไว้สติกำหนดจิตให้สงบแล้วมาพิจารณาทางด้านปัญญาการทำงานชิ้นนั้นจะเป็นชิ้นเป็นอันปัญญาที่แท้จริงปัญญาออกจากสมาธิเพราะนั้นท่านจึงว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาคือทำจิตให้สงบซะก่อนแล้วนำมาพิจารณาอันนี้ปัญญาของ พระพุทธศาสนาสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังอย่างพวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอย่างนี้ก็เกิดปัญญาเหมือนกันแต่ว่าเป็นปัญญาว่าได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์จากเทพจากหนังสือจากท่านผู้รู้ต่างๆอธิบายให้ฟังเข้าใจเรียกว่าสุตตมยปัญญากินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการเมื่อได้ยินได้ฟังแนละจินตนาการทบทวนไข่กลวนไตร่ตรองเหตุและผลที่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาก็เกิดปัญญาอันนี้ว่าจินตามะยะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตให้สงบกําหนดลมหายใจเข้าออกหรือว่ากรรมฐานอะไรก็ตามอย่างที่กล่าวเบื้องต้นกรรมฐาน40หรือนอกเหนือจากนั้นจนทําจิตให้สงบเป็นหนึ่ง จากนั้นนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะอาสุพังเห็นร่างกายสังขารเห็นรูปร่างกลางตัวเห็นตามความเป็นจริงร่างกายของมนุษย์นี่เป็นอย่างนี้แต่ก่อนเราอยู่กับร่างกายของเราเราไม่ได้พิจารณาแต่บัดนี้เมื่อเราพิจารณาเห็นร่างกายของเราโอ้โหทําไมร่างกายของเราอยู่อย่างนี้แต่ก่อนเราทําไมไม่เห็น พรเราไม่ได้ดูเราจะมีแต่ดูข้างนอกดูไปทางอื่นแต่ปัจ น, นี้เราเห็นร่างกายของเราเห็นชัดเจนในความรู้สึกด้วยปัญญาเพราะนั้นเมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วไ ม, ไม่ไม่คลายมากมันก็ต้องคลายน้อยไม่เบื่อมากมันก็ต้องเบื่อน้อยไม่รู้ตามความเป็นจริงมากก็มันมันก็ น, น้อยแล้วว่างั้นถะไม่น้อยก็มากแล้ว่างั้นเถอเ อ, อพราะนั้น ให้พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนาว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าที่ท่านอบรมแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทางหลายเนี่ยเพราะนั้นให้ดูให้ทบทวนดูทบดูทวนดูว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยมันย่อหย่อนตรงไหนอย่างไรดาการนั่งของเราเป็นยังไง การอยู่การกินของเราเป็นยังไงการอยู่การฉันของเราเป็นยังไงการพักผ่อนนอนของเรามากเกินไปหรือน้อยเกินไปโดยมากมันจะมากเกินไปนั่นแหละรังเล่งความภาคความเพียรของเรานะอ่อนเกินไปใช่ไหมเราหาโอกาสตัวเองน้อยเกินไปใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทบทวนการทำมาหาเลี้ยงชีพตั้งการทำมาค้าขายทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ยังมีการทบทวน แต่การประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยไม่ทบทวนมันก็คงจะไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะได้ยินที่หลวงพ่อได้อธิบายมาคิดว่าอธิบายไม่ผิดแน่ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติยึดกรรมฐานนี้เป็นหลักยึดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธนี่แหละเป็นหลัก จากนั้นจะพิจารณาทางด้านปัญญาเลยว่าใช้ปัญญาพิจารณากําหนดจุดใดจุดหนึ่งไม่ให้ส่งจิตไปข้างนอกจนถึงจิตเข้าสู่ความสงบหรือเป็นจิตเป็นอุ ป, อปจาระหรือจิตเป็นอัปปนาเราไม่ต้องคิดทางนั้นละจะเป็นอัปปนาอุปจาระอะไรก็ได้ความสาคัญเรารักษาเหตุให้เพียงพอผลมันจะเกิดมาอย่างไรเราก็พอใจอย่างนั้นละ่ะเราไม่ต้องคิดถึงคาด ผลเราต้องทําเหตุให้เพียงพอผลมันจะเกิดมาเองเหมือนกับค น, น, นขี้เกียจอ่านหนังสือเรียนหนังสือขี้เกียจคิดขี้เกียจไปเรียนหนังสือมีแต่คาดผลต้องการปริญญาเอกมันจะได้เหลยมันเป็นไปไม่ได้มันตะทําต้องทําเหตุให้พอทําเหตุให้เป็นไปถ้าทําเหตุ ด, ดีแล้วผลมันจะตอบสนองเองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านนะ ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลศีลเป็นพื้นฐานของคุนงามความดีสำหรับคราวาสญาติโยมก็คือทานะคือการทำทานทานศีลภาวนาสำหรับพระเข้ามาในวงขั่งในว่าศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นหลักแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญา สำหรับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทานศีลภาวนาสำหรับให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติให้สม่ำเสมอบำเพ็ญไปเรื่อยๆนะ่ะชีวิตของพวกเราเดี๋ยวนี้เท่าไหร่นับข้อมือดูสิแล้วจะอยู่นานไปอีกเท่าไหร่อย่างหลวงพ่อเนี่ยก็หกสิบแล้วนะปีนี้นะกเกษียณแล้วนะ ถ้าอยู่อีกสิบปีกัเจ็ดสิบจะถึงหรือเปล่าสิบปีมันไม่นานนะเออพักพักเออผ่านมาผ่านมาผ่านปผ่านไปผ่านไปผ่านไปไหลลงไปเรื่อยเออถึงน้ำทะเลเมื่อไหร่กับเมื่อนั้นละ่ะชีวิตของเราเกือกสุดท้ายขึ้นมาเมื่อไหร่เออเกือกสุดท้ายลมหายใจ เฮือกสุดท้ายเมื่ อ, อไรใจขาดเมื่ อ, อไรเราทําคุณงามความดีมากน้อยอย่างไรแค่ไหนได้ผลกำไรขาดทุนอย่างไรนั่นละ่ะวันนั้นละ่ะครั้งนั้นละ่ะจะเป็นผู้ตัดสินถ้าพวกเราไม่ได้ใส่ใจพวกเราไม่ได้ภาวนาไม่ได้รักษาศีลภาวนาขาดทุนได้นะทาอะไร ขาดทุนศูนย์ซั์ได้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นตุกกงตุกแก่ล้องเอกเอะอๆก อ, เ, อ, เ, อ, เ, อเป็นกระรอกกระแตเป็นลิงข้างบางเชนีเป็นหมูหมากาไก่เป็นได้ทั้งนั้นแหละไก่ของเราเนี่ยปฏิสนธิได้ ส, สูงสูงต่ำาๆลุ่มๆุมอนๆอ น, อนไปเป็นเปรตตกนรกอเวจีได้ทั้งนั้นถ้าทำความชั่วถ้าทำคุณงามความดีกับ จิตใจก็จะสูงสงขึ้นเรื่อยๆเกิดพบหน้าฉาดหน้ากับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีร่างกายจิตใจปกติแต่ถ้าเรามีบาปมีกรรมกับเป็นมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์อีกหูหนวกตาบอดตาใบเสียจิตอย่างที่พวกเราเห็นนั่นเป็นมนุษย์ก็ไม่เหมือนมนุษย์ขาดตกบกพร่องพอราะเหตุไรพอกรรมเก่าให้ผล เพราะนั้นให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลไว้ให้มากจะไม่ได้เสียท่าเสียทีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในบาเพ็ญทานศีลภาวนานะต่อนนไปก็นั่งภาวนาเลยนะที่นี่นะกาหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธพุทโธแลยนะที่นี่นะ